เรื่องปรถชนว น, นระเบิดตอนที่สองโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยขอนวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความพาสุขทุกประการจบบังเกิดมีแด่ญาติโยมมุตตบริษัทธ์ผู้มีความสนใจไฟในธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ไฟในบุญในกุศลทั้งหลาย โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ช่วงเวลาต่อจากนี้ต่อเป็นเวลาที่ท่านทั้งหลายจะได้ฟังการกล่าวปตาตกราธรรมอันเป็นคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วคอยท่านทั้งหลายจงให้ความอวดฟื้าแก่ธรรมตั้ง อ, อกตั้งใจฟังกันด้วยดี เพื่อได้เกิดประโยชน์ในการฟังได้ น, นําไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติกิจชีวิตประจําวันให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่ประเทศชาติแก่บ้านเมืองแก่สังคมแก่าภาษาศาสนาสืรต่อไปตามสมควรแก่เวลาอันจะเพิ่มมีในวันนี้ในการฟังในวันนี้ก็เช่นเดียวกันกันกบทุกๆครั้งที่เราได้ฟังคือฟังกันแบบฟรีสไตล์ ตามสบายตามสบายท่านอยู่ในอิริยาบถอย่างใดก็ได้ยกเว้นว่ายอย่านอนใขนขณะที่คนอื่นกาลังนั่งเท่านั้นถ้าท่านอยู่คนเดียวฟังอยู่คนเดียวก็ตามสบายจะนอนฟังจะนั่งฟังจะทำอะไรฟังก็ได้ขอให้ท่านทั้งหลายจงฟังให้เกิดประโยชน์ในการฟัง ยังไม่ต้องเชื่อก็ได้เปิดใจไว้กว้างๆเป็นฟรีมายไปอิสระถ้าพร้องว่าไม่บาปการทันฟังแล้วพิจารณาแล้วมีเหตุมีผลทนต่อการพิสูจน์ปฏิบัติตามก็สมควรที่จะปฏิบัติตามไม่ได้ผลอย่างนี้ท่านก็ควรเชื่อได้ฟังแล้วพิจารณาแล้วไม่มีเหตุไม่มีผลไม่เกื้อกลูลไปร่วมประโยชน์ก็ไม่ควรค่าที่จะเชื่อแต่ฟังได้ ในลักษณะของชาวพุทธสรวันพระนี้ก็เป็นอีกวันพระหนึ่งที่คนโบราณของเราท่านสอนว่าวันพร ะ, ะใหญ่ๆวันพระธรรมดาเจ็ดค่ำแปดค่ำก็จะให้บริวาลอมานของท้าวจะตุโร ก, กั บ, บาลออกมาตรวจโรคว่ามีคน ทำบุญซึ้งธรรธานเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เชื่อถือครูบาอาจารย์เคารพสมณภามผู้ทรงสิ้งรมบุญตัก บ, บาทถือสิสส้ห้าจำสิ้อุโบสถกันบ้างไหมแล้วก็ไปรายงานให้ท้าวเจโตโรก บ, บาลวันสิบสี่ค่ำใหญ่ขึ้นมาหน่อยกว่าวันเจค่ำแปดค่ำก็จะเป็นหน้าที่ของบุตรลูกโอรส ของท้ า, ทาจวจตโรก บ, บาลมาทำงานแทนพ่อวาดตามพระเจะวิดดกให้ฟังหน่อยมาตรวจโรคว่ามีคนทาบุญสุนทรรทานถึงสิ้นห้าสิ้นแปกันบ้างไหมเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เคารพครูบาอาจารย์อ่อนน้อมต่อผู้หลักผู้ใหญ่เชื่อถือเคารพบูชาสมณภามกันบ้างไหมแล้วก็รายงานให้พ่อเสาร์ในวันสิบห้าค่ำ กบพอออกลงเองคือตรวจเขาเจอโรคกรบบาล น, นั่นแหละออกมาตรวจเยี่ยมรอบๆตรวจโรคว่าเออในเมืองมนุษย์ยังมีคนถือศีลห้ายังสมาทานออโบสดศีลยังเคารพเชื่อฟังเลี้ยงดูพ่อแม่เคารพเชื่อฟังครูบาอาจารย์เคารพบูชาทำบุญทำทาน กับสมณาพามผู้ส่งศีลกันอยู่เหลหรือเมื่อดข้อมูลแล้วสิบห้าวันนี้ก็รายงานข่าวต่อพอินบนสวรรค์ทางสวรรค์เมื่อได้ข่าวว่ามีคนสนใจศีลธรรมมีคนตั้งอกตั้งใจสมาทานตินหะรักษาศีลอุโบสถในวันโกนวันพระทำบุญตะบาทเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เคารพอุบาอาจารย์ เคารพสมณพามอยู่เทว ด, ดาก็จะชื่นชมยินดีว่าเมืองสวรรค์ของเราจะเต็มไปด้วยการทริพกายทิพจะเจริญอสุรกายจะขาดแขนจะไม่มีถ้าหามันตรงกันข้ามโอ้เมืองมนุษย์มีแต่คนสมเะเลเทมาวัดไม่เข้าไปเจา้าไม่นกวันโกนไม่ละวันพระไม่เวนใหญ่ยยชีตาเทนไม่เคยเคารพศรัทธานี่จความอยากได้อ ย, ยากมีอยากเป็นจรลู่ บอดกันหมดไม่สนใจเรื่องศีลเรื่องธรรมไม่เคารพพ่อแม่ไม่เลี้ยงดูพ่อแม่ไ ม, แมไม่เชื่อฟังกูบาอาจารย์ไม่เคารพสมณะผามผู้ส่งศินถ้าอย่างนี้เทวดาก็สอรี่เสียใจบอกว่ากายทิพย์จะเสื่อมถอยอสุรกายจะเจริญสวรรค์ของเราจะโร่งเลงจะไปะยะัดเยียดเอียดกันอยู่ที่โน่นแหละที่นรก พูดถึงตรงนี้ก็ น, น่าคิดถึงโลกเราในยุค ป, ปัจจุบันวัดฟาอารามนี่เปิดกันอยู่ตลอดไม่มีใครสนใจที่จะเข้ากันเท่าไรเมื่อวานเซนนี่โยมาถามว่าวัดนี้ไม่ได้รับทานใช่ไหมได้รับสังฆทานไหมเป็นครูบาอาจารย์เอาได้ยินมายัางไงจึงทำอย่างนั้นได้ยินว่าที่นี่ไม่ไ ม, ไม่ค่อยได้รับทาน ไม่รับการตําบุญพระท่านจะออกไปปฏิบัติงานข้างนอกโอ้ไม่ใช่อย่างนั้นเราอารมาบอกว่าอย่างเงี้ยที่วัดจะมีพระอยู่ตลอดยิ่งวัดนี้มีพระเยอะแหละคือคงเข้าใจผิดแต่พระวัดนี้ก็ออกทํางานปฏิบัติการวัดเคลื่อนที่ต่างอําเภอต่างจังหวัดอยู่เรื่อยโยมมานุ่มอนเอารถมารับเ้าก็เลยเผยๆกันหน่อยอารมาก็เลยบอกว่าวัดเปิดอยู่ตลอดการ ยังไงยังไงก็มาได้ตลอดเวลาก็นึกถึงที่เท้าจะตุโลกกับบาลผู้ ก, กับเทวดาเทวดาก็เศร้าใจว่าคนไม่สนใจหลักธรรมแต่หมนี้ปนปลว่าเ ม, วรร เ, วเมืองสวรรค์จะล้เหลวต่อไปพลเมืองสวรรค์ operation จะน้อยลง lacking operation แล้วต่อมาพวกคนลเมืองนโลกมันจะมากขึ้นคือคนชั่วมากขึ้นโดตรงนี้ก็นึกถึงคุบนึกถึงตาราง ที่คุกใีกลางนั้นกำแพงไม่รู้กี่ชั้นสูงมีเจ้ามีนายมียามเฝ้ามีประตูรูหอ้อมีกรงเหล็กใส่กุญแจด้านผ่าแอาอาจจะเยียกกันเข้าไปอยู่ด้ข่าวหนังสือพิมพ์มแพร่โรคเอกกนยิ่งในคุกมากที่สุดในโรงพักโรงพักตำรวจไน้อยห้องขังทั่วข่าวก็เต็มเอียดคุกใหญ่ก็เต็มอีกได้ขยายพลเมืองคุกเยอะ แต่วัดที่เปดอยู่ตลอดการให้แต่วความสงบร่มเย็นให้สติปัญญาให้บุญให้กุศลคนไม่ก็หยุดสนใจเออมันก็เป็นไปตามยุคตามสมัยนะเอาวันนี้วันพระมาถึงแล้วตั้งอกตั้งใจฟังเทศกันกันหน่อยไม่ต้องเชื่อก็ได้รับรองว่าไม่บาปฟังกันแบบฟรีสไตล์สําหรับวันพระนี้ก็เป็นวันอีกวันหนึ่งที่โยมพระบานที่ทยา ท้าวเจตุโลกบาลจะต้องตรวจโลกจะตุแปลว่าสี่โลกบาลหรือว่าคุ้มครองโลคในที่สีเราทั้งหลายตัวคนคนหนึ่งมีกายยาวาหนาำคือกว่างศอกมีสัญญาและใจนี่คือโลคอีกอันหนึ่งพระพุทธญาติว่าดูความรู้สึกร้ายเรากล่าวว่าโลกก็ดีเหตุให้เกิดโลกความดับลงแห่งโลกขนทางปฏิบัติเพื่อดับโลกอยู่ในร่างกายยาววาที่มีสัญญาและใจนี้เพราะฉะนั้น ในนี้ถ้าหากเป็นโลกโลกหนึ่งมันก็จะต้องมีเจตุโล ก, ก บ, บาลผู้คุ้มครองโลกในทิศทั้งสี่อะไรเล่าเป็นผู้คุ้มครองโลกคุ้มครองชีวิตคุ้มครองร่างกายแล้วก็คือธรรมนั่นเองชริโอตปิยเยนโลกังปาเลติซาโชกังมีความอายชั่วกลัวบาปนั่นแหละเป็นธรรมคุ้มครองโลกคุ้มครองชีวิตของคนถ้าคนไม่มีความอายชั่วกลัวบาปสังคมผมรู้ ม, มันจะวุ่นวายจะเดือดร้อนยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉาน สัตว์เรัานมันไม่มีขีปนาพุธไปมีเพลชิงสองไ่มีครูไปมีสติงเจาไไ่มีรถทังไม่มีเครื่องบินมิกยี่สิบสามเมีเอฟสิบห้าเอแกอะไรต่างๆมันไม่มีดอกสัตว์ทั้งหลายก็จะไม่เลวร้ายทามนุษย์ถ้าหามนุษย์ไม่มีทาคุ้มครองชีวิตคุ้มคองจิตใจคุ้มคองโลกมนุษย์นี้จะเทนฆ่ากัน โลกนี้จะเล่าร้อนลุกเป็นไฟได้ยินว่าเดี๋ยวนี้ทั้งค่ายคอมมินิตและค่ายโลกเลสรีได้สั่งสม็งขีปนาวุธจะรวดติดหัวรบอย่างน้อยฝ่ายละห้าหมื่นหัว ร, น ร, รนบ 50, นิวเคลียร์ในจบนวนหมืนนิวเคลียร์ได้หยิดมานานเลยเดี๋ยวนี้จะมากสักขนาดไหนทั้งกบพีนาไปชุมรถอาวุธกัน พร้อมที่จะถล่มทลายกันโลกนี้แหลกเป็นจุลมหาจุลหลายร้อยหลายพันรอบ ม, มีแสนอนุภาพในการทําลายยิ่งกว่าระเบิดฮิโรจิจมานางาซังิระเบิดปรามนูลูกนั้นเที่ยวกันไม่ติดไม่เห็นฝุ่นมีอนุภาพในการทําลายกันมากกว่าเป็นร้อยร้อยเท่าแสดงว่าโลกนี้กําลังอ า, อาวุธมหาปลายกําลังเชิงเงือคอลืมตาปิ ด, ปด มองดูโรคพร้อมที่จะโถมทะลุมได้ทุกเมื่อที่มันอยู่ได้เพราะมีความอายชั่วกันกลัวบาปกันบ้าง น, นั่นแหละไม่มีบ้างก็มีน้อยมันจึงคุ้มครองโยกอย่อยาทําเป็นเล่นไปกับสิ่งกับทําว่าเป็นเรื่องคึกคะล้าสมัยไม่ทันคนอื่นเขาเป็นไดโนเสาร์เต่าล้านปีกินแทนข้าวไม่ได้แต่มันคุ้มครองโรก ค, คุ้มขรองชีวิตนี้ได้สัตว์ทั้งหลายไม่ตายก็เพราะว่ามีคุณธรรมคุ้มครองเอาว้โยก อาจมาไปอยู่ประเทศแอฟริกาเมื่อก่อนนู่น <c oughs> แถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนแม้เป็นทุ่งทะเลทรายซารากว้างใหญ่ไพศาลแต่มีนกเขานกกาชาเป็นมูมูนกเป็นสูงดอกไม้ทะเลทรายเหลืงลงลองๆลมหนาวพัดมาจากฝากฝั่งไซบีเรียข้ามทะเลเมดิเตอร์เรเนียนมาหนาวเนี่ยบางครั้งก็มีหิมะบางๆโปรย สัตว์แล้วนั้นเยอะทั้งนกทั้งมิ่นขับรถผ่านไปก็เห็นมิ่นเดินผ่านทางไล่จับมาเล่นก็ได้เขาไม่กินกันรัฐบาลเขาสงวนไม่ให้กินแต่คนไทยไปถึงไม่รู้หิวโหยมาจากไหนจ้าข้าจ้าแกงมิ่นมึนเห็นอยู่ในออร์โก เ, เตอร์คูดจิบ ห, หายวายวดนกกระทา น, นกคุ้มนกเขาซึ่งไม่มีต้นไม้มันก็อยู่ในรูนกเขานอนอยู่ในหิน คนไทยไปดักกินเกลี้ยงเจ๊พายวายบอนหมดนั่นแสดงว่าสิ่งที่คุ้มครองโลกเราไมไ่เพียงพกติดตัวไปจากพุทธศาสต ร, ตร์นาฮีลิโอตปะความอายชัวย่วกัวบาปไม่มีไม่รู้ไปเบียเดเบียนแม้กระทั่งสัตว์กระทั่งต้นไม้น้ำท่วมบ้านกระทูนทะเลสูงทะลักมาท่วมเจ๊พายวายบอนนั่นก็เพราะมันขาดทำอันนี้แหละมันจึงท่วมบ้านกระทูน อายชั่วกลัวบาปไม่มีในจิตในใจผมก็เลยทํำลายกันเห็นแก่ได้เห็นแก่เมื่เห็นแก่กัวกันทุกอย่างจะไม่มีโอกาสเห็นใจใครทั้งหมดนั้นอย่าหัวเราะทำนะท่านสารทุชนตั้งหลายมันถึงเวลาแล้วนะมิฉะนั้นแล้วจะชิบหายกันเร็วๆนี้วันนี้ขึ้นต้นก็ว่ากันใหญ่ในยกนี้เลย ยรงไม่ไารก์กโม่พ่อที่จะกล่าวทำที่กระถาแต่ ม, มันก็เป็นซะ อ, อย่างนี้แหละจะเลยป้ายอยู่เรือ่อยพอร่วงดีกินนิ่งมันก็รันนิ่งเลยฟุ๊กกลี่ฟุ๊กกลี่ไปเลยเอาละวันนี้วันพระมาถึงอีกแล้วเจ็ดวันเลี้ยงลูกปู่วันที่แปดคนโบราณบอกเจ็ดวันทํางานทําการเลี้ยงชีวิตเลี้ยงจิตใจเลี้ยงลูกเมียเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงผัว สร้างเนื้อสร้างตัวโขกก้อฝิดปาแบกหันมุนกลางทุ่งกลางท่ากลางป่ากลางเขาตามตลาดทำมาหากินกันเจ็วันใช้หัวใจเปลืองที่สุดวันที่แปุป ล, โ ล, โลูโพธิแปลว่าปัญญาสร้างสติปัญญาพักผ่อนจิตใจให้สะอาดสว่างสงบเหมือนเสื้อผ้าที่สกปรกก็เอามาซัก วันที่แปดคือวันพระให้ปู่โพทำบุญซุ้มทรรธานตักบาทบ้างให้ใจสงบเกิดมาไม่ใช่จะเอาอย่างเดียวมือสองข้างมีความหมายให้กับรับหลังจากนั้นก็ฟังบังฟังสิ่งที่จะเกิดปัญญาสุสั ส, สังกยปเตปัญญงฟังให้ดีและจะเกิดปัญญาปัญญานั่นคำหนึ่งภาษาบาลีบอกโพธิโพธิแปลว่าปัญญาเต็นไม่ ธรรมดาธรรมดาต้นหนึ่งมีชื่อว่าอัศทะในภาษาบาลีพอพระพุทธเจ้าได้เป็นนั่งคบคิดทําความเพียรได้ตรัสรู้ในไลท์เทมม์อยู่ใต้ต้นของมันมันก็เลยมีชื่อว่าต้นไม้แห่งปัญญาคือต้อนโพชื่อจริงมันบบอัอสทะพอพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้วมันก็เลยมีเกียรติ <c oughs> มีชื่อว่าโพธิต้นโพธิแปลว่าต้นแห่งปัญญา การปลูกโพก็หมายถึงการปลูกฝังสติปัญญาให้รู้เท่าทันโลกเข้าทันชีวิตเข้าทันความจริงรู้เห็นตามสิ่งตั้งายตามที่มันเป็นจริงจะไม่ได้ไปขวางทางความจริงจนตนเองเป็นผู้ก่อให้เกิดปัญหาตนเองผู้อื่นสังคมบ้านเมืองเล่าร้อนเพราะความไม่รู้สิ่งตั้งายตามเป็นจริงจึงหลงเข้าไปวันที่แบกจริงปลูกโพ เจ็ดวันเลี้ยงลูกปูกโพวันที่แปดคนโบราณว่ า, ายอย่างนี้ก็ถูกแล้วเอาวันนี้ท่านอาจายมาปลูกโพคือฟังให้มันเกิดปัญญาเป็นโพที่เป็นปัญญากันจะบ้างมันพระก่อนอาตมาได้พูดเรื่องปลดชนวนระเบิดพ <c oughs> างหนึ่งมันก็ไม่จบเพราะว่าเรื่องมันใหญ่หน่อยก็เลยหมดเวลาไป สันระวันพระนี้ก็จะต่ออีกปลดชนวนระเบิดภาคสองให้มันเสร็จเรียบร้อยกันหน่อยให้มันกระจางแจ้งกันมิจฉานั้นมันจะคุมจะเครือก็จําเป็นจะต้องขอท้าวความในอดีตวันพระอ่อนแต่หน่อยวันพรก่อนพูดถึงเรื่องปลดชนวนระเบิดคล้ายๆกับว่าเราจะไปพบกับระเบิดที่เขาวางเอาไว้มันกําลังจะรอคอยเวลาที่ตั้งไว้มันจะระเบิดตูมตาม หรือเราเดินไปเตะชนวนมั น, ม, นมันก็จะระเบิดแข่งขาดขาขาจิ้บหายไว้บอดพี่หน้าล้มตายกันพอเราเห็นทันเราก็ค่อยๆไปปอดชนวนมันเก็บมันให้ไปสู่ความปลอดภัยซะการปอดชนวนระเบิดนี้ต้องอาศัยความปานนี้ตั้งอกตั้งใจยันดีถ้ามิฉนั้นอาจจะพลาดผู้ปลดนั่นแหละจะถูกระเบิดใส่หัวตายก่อนคนอื่นเลยอันนี้เปเรียบเทียบระเบิด อาตมากำลังพูดถึงปลดชนวนระเบิดแห่งสังคมสังคมเรามีหลายสิ่งหลายอย่างที่ขัดแย้งกันพร้อมที่จะระเบิดตรุ่มตามออกมาเป็นสิ่งเสี่ยงให้สังคมแตกจากกันเมื่อสังคมคนในสังคมแตกกันไม่เข้าอกเข้าใจกันแล้วมันจะเป็นฝักเป็นฝ่ายพูดกันไม่รู้เรื่องรู้แต่เป็นภาษาไทยด้วยกัน แต่มันไม่รู้เรื่องด้วยอุดมการณ์ด้วยทิฏฐิมานะความจุดมัน่นถือมัน่นอีกทางสัจจงโมฆะมันยังอันนี้เท่านั้นถูกอันอื่นพิษแล้วมันก็เข้าหากันไม่ได้เยินกาตายขาเดียวในที่สุดมันก็ระเบิดสังคมมอกมาเป็นเสียเส่ยงเสี่ยงม้านเมืองก็จะพินาศย่อยยับเป็นโอกาสที่เราจะอยู่ด้วยกันไม่ได้มันจะเดือดร้อนไอ้ที่เราจะฟื้นที่ไปเสี่ยงตามเวรตามกรรมกัน คอยให้มันเป็นไปตามกาละเทศะจะชิบหายวายโบก็ช่างมันก็ไม่ใช่วิสัยของผู้ฉลาดไม่จะลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าเลยพระพุทธเจ้าท่านให้เรารู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักตนรู้จักประมาณรู้จักการรู้จักเวลาประชุมชนบุคคลควรจะทําอย่างไรเพราะฉะนั้นเราจะรอคอยให้การเวลาให้มันเป็นไปเองเอาแต่มันจะเป็นเฮปัจจัยเราสามารถจะจับจะแต่งจะแปลงมันได้ จากดีเป็นชั่วก็เพราะเหตุปัจจัยจากชั่วเป็นดีก็เพราะเหตุปัจจัยน้ำเย็นๆอยากจะให้มันร้อนก็สั่งเหตุปัจจัยก่ไฟขึ้นเอาน้ำใส่หม้อตั้งเหลือบังก็ร้อนน้ำร้อนๆอยากจะให้มันเย็นก็อาไปใส่ตู้เย็นเอาน้ำแข็งมาใส่มันก็เด็นมันอยู่ที่เหตุปัจจัยเยธรรมาเหตุตุปปภาวสิ่งเต่างๆมันอยู่ที่เหตุที่ปัจจัยมัน พระพุทจเห้าสอนอย่างนี้เพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจังเป็นความไม่เที่ยงถ้าเราสร้างเหตุให้มันดีความไม่ดีก็จะเปลี่ยนมาเป็นความดีถ้าเราสร้างเหตุไม่ดีความดีก็จะเปลี่ยนมาเป็นความไม่ดีเพราะเหตุแห่งมันไม่เที่ยงนั่นเองเพราะฉะนั้นสังคมเราก็สามารถที่จะทำให้ดีให้งามให้สงบให้รํางับด้วยกันได้ เกิดอะไรรุนแรงคอนฟิก c ์กันขึ้นมาคนไทยเราพูดกันรู้เรื่องไม่เหมือนเมืองอื่นชาติอื่นบางครั้งปฏิวัติกันจนมองหน้ากันไม่ได้แต่เราก็ไม่สามารถจะฆ่ากันให้ตายนองเลือดเหมือนชาติอื่นเหมือนบ้านอื่นเขาเรามีพุทธศาสนาสอนให้เรายิ้มเสกกันได้พูดกันรู้เรื่องเพราะฉะนั้นเราเป็นสัตว์ชนิดเดียที่มีภาษาพูดควรจะพูดกันรู้เรื่อง ยิงเราเป็นคนชาติเดียวภาษาเดียวมันก็ยิ่งคู่กันรู้เรื่องไม่ต้องหาล่ามมาแปลเราเราก็ค่อยพูดคอยจกันไปวันนี้อาดมาคิดว่าจะต้องพูดปลดชนวนและเบิดภาคสองพูดกันให้เรื่องฟ้าแจ้งจังต่างกันอีกทีโน่นก็พี่มีกับน้องสายเลือดเดียวกันมีแต่บ้านเราเมืองเราทั้งนั้นต้องรักษาศักยภาพสักตีของเราเอาไว้ให้ได้พูดกันให้รู้เรื่องอย่ันนี้ไม่ต้องให้มันระเบิด ปดมันออกซะเฉินวนมันพยายามทําความเข้าใจกันให้ได้เมื่อเข้าใจกันไหมมันก็เกิดความเห็นใจเมื่อเกิดความเหม็นใจมันก็รักกันเมตตาปาณีอยู่วันกันพี่จะน้องบนพื้นแผ่นดินพ่อแผ่นดินแม่ของเราที่อุตษาธนุถนอมมาเราทุกวันนี้กําลังจะเดินเฮินห่างออกจากกํำนองครองธรรมกันเข้าไปทุกทีทุกทีอยู่ดีๆก็แตกก็แยก อาจจะมาได้พูดมาในวันพระ ก, ก่อนว่ามีบางท่านบางคนอยากจะพยายามดึงชุดกระช่างให้พระลงไปเล่นการเมืองว่าพระควรจะมีบทบาทในการเมืองควรจะเล่นการเมืองได้มียดหมายมีคำถามมายเยอะในยุ่สุด ก, ก็ตอนหน้าตอนหลังพูดไปพูดมาก็อยากจะให้พระลงเล่นการเมือง นเนรมาก็ได้พูดไปแล้วว่าถ้าพระเล่นการเมืองและบ้านมีเมืองนี้จะรีบชิบหายเลยที่โยงมาได้เพราะประเทศไทยนี่มันมีลักษณะ speciality คืออำนาจแห่งกุศลนาพระไม่ก็ไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองโดยตรงถ้าจะยุ่งเกี่ยวก็เป็นแบบ indirect คือยุ่งเกี่ยวโดยทางอ้อมออาหลักทำให้เพราะฉะนั้น เมื่อเป็นอย่างนั้นพระมหากษัตริย์ทุกๆราชวงศ์ก็สนับสนุนพระพุทธศาสนาสนับสนุนพระสงฆ์เจ้าแล้วก็ต่อมาพระสงฆ์เจ้าพร้อมทั้งพระราชาก็พยายามรักษาคําส่งสอนไม่ให้บริสุทธิ์ผุดผ่องโดยการสอบเรียนอะไรต่างๆพระราชาต้องมานั่งเฝ้าด้วยหคอยสนับสนุนจนต่อมาจนถึงสมัยยุค ป, ปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็เป็นผู้อุปถัมภ์ให้ แปลพระเตวีดกจากบาลีมาเป็นไทยโดยสมบูรณ์เบียดแบบไปเล่นมาปีพศ .2500 สสเราจะเห็นได้ว่าบ้านนี้เมืองนี้อยู่รอดมาได้พุทธศาสนาพระมหาเถระผู้ทรงคุณอันประเสริฐพระมหาราชเจ้าผู้มีคุณอันประเสริฐได้ช่วยกันประคับประคองบ้านนี้เมืองนี้ศาสนานี้ให้อยู่รอดปลอดภัยมาไม่เคยเป็นเมืองขึ้นใครนั้น เราจะมาดูถูกดูแคนว่าพอ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราไม่ดีไม่งามหรือเราจะต้องดูกันใหม่เพราะฉะนั้นถ้าหางให้พระเขาไปเล่นในการเมืองสุดเวียงเราก็จะเห็นได้ว่าบ้านนี้เมืองนี้มีพระเยอะหลวงเตียวหลวงเสียวหลวงนาะชื่อดังๆมีมากถ้าท่านเล่นบาน้างองค์หนึ่งก็จะเข้าพักหนึ่งองค์หนึ่งก็จะเข้าพักหนึ่งเอาไปเอามันหลายองค์หลายพัก และวกับบางองค์ท่านมีเงินมีทอมงมากเอาอะไรจะเกิดขึ้นคนยังเชื่อพระมากเอาไปเอามาพระก็เด่นลดตนเองลงมาเท่ากับชาวบ้านธรรมดาธรรมดาหนักหนักข้าก็จะแตกกันเป็นกบเป็นเหล่าเป็นเส้นเป็นซ้ายขาเวลาสามะขีกันไม่ได้ลักษณะเช่นนี้พระจะต้องอยู่เนื้อการเมืองชนิดนั้นเป็นพักนู้นเป็นพักนี้เป็นปุโรหิตปุปโรหิตปุปโรหิต ก, ก, กอะไรก็ไม่เป็นอะเราจะเป็นพระ ที่อยู่เนื้อภาวะขัดแย้งแต่จะชี้บอกให้เห็นอันนั้นถูกอันนั้นผิดควรทําอย่างนั้นอย่างนั้นแต่มาได้กล่าวไปแล้วว่าพระพุทธเจ้าเขาไปเกี่ยวข้องการเมืองทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นประชาธิปไตยหรือจะเป็นระบบสมบูรณาญาสิทธิราชบุคคลคนเดียวที่ปกครองถ้าจะปกครองโดยระบบสามัคคีทำประชาธิปไตยสันทาคานแบบรัฐสภ า, าท่านก็ บ, บอกว่าอย่างนี้ดีเหมือนกัน แต่ท่านจะต้องมีอปริหานิยธรรมเจ็ประการดังกล่าวมาแล้วในวันพระ ก, ก่อนแต่ถ้าท่านไปปกไปสู่สังคมใดลัดใดแคว้นใดที่ปกครองโดยระบอบสมบูรณ์นายาเศรษฐีราษฎรแผ่นดินองค์เดียวปกครองถ้าระบอาอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันแต่จะต้องมีท่าสถิรราชธรรมถ้าไม่มีทศพิรราชธรรมอย่างนี้ก็ไม่ดีถ้าปกครองโดยระบอ บ, บร ป, ประชาธิปไตยไม่มีอภิริหานิยธรรมนั่นมันก็ไม่ดี แต่ท่านบอกว่าวดีท่านแน่นถ้าหากมีทำปกครองโดยถูกทำให้มันเหมาะไม่มันสมมันถูกฟ้าถูกตัวมันก็ดี แต่พอท่านปกครองคณะสงฆ์ทันเอาพาระสงฆ์มาปกครองจากกษัต ร, พพพริย์พราหมณ์แสวงที่ก็มาบว ก, กันหลายชั้นหลายวันนะท่านให้เป็นกันเอกอภาพโดยอาศัยธรรมวิถีในร้อยรัชจัดระบบชีวิตระเบียบสังคมให้ถูกต้องดีงามเป็นผู้ไม่มีส่วนเฟอ้ไเฟอไป ม, มีส่วนเกินเป็นผู้มากน้อยสันโดษของที่ได้มากเป็นตนว่าบา ท, ทีวอนอาหาระอะไรต่างๆนี่ต้องเอามารวมเป็นพันธาคาริก เป็นของส่วนกลางของผู้ที่ยังไม่มีจะได้นำมาใช้มันเป็นอย่างนั้นถ้าใครเก็บไว้เกินก็ต้อ ง, ต, องต้องอบัต์ว่ากันไปพระสม อ, องค์เจ้าจึงเป็นผู้ไม่มีอะไรสะสมอยู่ง่ายก่งง่ายวันละครั้งเดียวไม่เกินวันละสองครั้งอีวอลมีสามพื้นเท่านั้นเกินนั้นก็ไม่ได้มันเป็นชะ ด, ดีเรียกว่าโปรครองโดยรับบอบของพระ อ, องค์นั้นยิ่งกว่าที่คาร์มักเขียนขึ้นมาอีก แต่ชาวบ้านจะเอาหลักการปกครองของกษัตริย์ส่งไปใช้ก็ไม่ได้พระองค์ก็ไม่ได้บัญ ญ, ญัติให้ชาวบ้านใช้อย่างนั้นเพราะว่าชาวบ้านมีลูกมีเมียมีครอบมีหรัวต้องรับผิดชอบมากจะมาทําอย่างพระผู้ออกจากบ้านเหมือนนกบินไปในท้องฟ้าเหมือนป่าว่าดไปนในสายชนไม่มีขอบเขตมีแต่บาทกับจีบอนก็สมควรที่จะไปที่ไหนก็ได้ลักษณะช น, นีดสังคมสงเป็นสังคมตัว อ, อย่างเป็นผู้พูดให้ฟังทําให้ดูอยู่ให้เห็นอย่างไม่มีความโทษ อยู่อย่างไม่มีอะไรบีบขั้นทําให้ดูอย่างถูกอย่างต้ออย่างดีอย่างงามชาวบ้านจะเลือกไปใช้บ้างก็จงเลือกให้เหมาะให้สมเพราะฉะนั้นระบบสังคมชาวพุทธของพระสองค์เจ้าจริงๆจึงแปลกไปจากระบบการปกคร อ, องของชาวบ้านจะเอาไปใช้ในบ้านมันก็ไม่ถูกฝาไม่ถูกเพราะชาวบ้านมีลูกมีเมียดังกล่าวแล้วพระไม่มีลูกมีเมียจะสะสมไปทาไมและชีวิตของพระก็ต้องเรียบง่าย ไม่มีส่วนเฟอ้อไม่มีส่วนเกินพวกที่เป็นอัศรธาเฟ้อเ ฟ, อฟอพวกซุปดมอมเคี้ยวอะไรต่างๆพวกนั้นก็ไม่เอากินแต่ข้า ว, วก็พอแล้วนี่อย่างนี้คือระบบสังคมสงฆ์แล้วต่อมาอีกพวกเราเดียยนี้จะดึงพราเข้าไปสู่การเมืองมันก็จะชิบหายเหมือนประเทศอื่นดังเก่าแล้วอย่างนายปณรนาน์นายเกนา ย, ยกรัฐมนตรี ของประเทศศรีลังกาแต่ก่อนนั้นผัวของนางศลิมาโบนใครเป็นคนเข้าไปหยิงก็คือพระนี่แหละคือพระประเทศอื่นเล่นการเมืองกันได้แต่บ้านเขาเมืองเขาไม่เคยเป็นเอกราชมาตลอดไม่เหมือนประเทศเราประเทศเราพระจะต้องอินเดเร็กคืออยู่ต้องช่ว ย, ยแบบให้คําปรึกษาที่ถูกต้องทุกทพรภาคทุกฝ่กกกายคอมมิวนิสต์มาปรึกษาเราเราก็จะให้คําปรึกษา เดี๋ยนี่ใครจะเอาเงินมาจ้างเราสักแปดแสนล้านให้เทศต่อต้านคอมมิวนิสต์เราก็ทำไม่ได้เราจะต่อต้านได้แต่มิจฉาทิฏฐิที่เห็นผิดนอกศาสนาพุทธอย่างนี้เราต่อต้านว่าอันนี้ไม่ใช่แต่ใครจะมาจ้างเราขึ้นไปเป็นเครื่องมือคอมมิวนิสต์ต่อต้านประชาธิปไตยหรือจะช่วยคอมมิวนิสต์อีกเก้าล้านล้านเราก็ทำไม่ได้ เราจะต้องยืนอยู่ตรงที่ความเป็นกลางมิ d เด e w เว of อ u ุด h i s m ความเป็นกลางของพระพุทธศาสนาอยู่อย่างนี้ต่อมาเดี๋ยวนี้เรากำลังจะมีระเบิดเวลาลูกใหม่ขึ้นมาดังกล่าวแล้วพระสงฆ์เจ้าของเรานับวัน ที่อยามีเงื่อนไขแตกแยกออกจากกันเป็น ก, ก๊กเป็นเหล่าเป็นหมู่เป็นคณะเราได้ขมขืนมาเพียงพอแล้วเพียงแต่แยกคำมยุทธแยกมหานิกายออกจากกันเราก็ทะเลาะกันเลยอยู่นั่นซึ่งมันไม่เป็นสลิมงคลแก่บ้านแก่เมืองเลยแต่บัดนี้เหตุการณ์เหล่านั้นได้ผ่านไปนทั้งคำมยุทธทั้งมหานิกายเราก็สามารถขี่กันดี เราสามัคคีก็ดีเกลือกจะไม่มีความหมายว่าใครเป็นใครยังมีหลงเหลืออยู่แต่กับคนที่ยังไม่ฉลาดเท่านั้น ยังมีอัตตามากยังมีทิฏฐิมากก็ยังยึดวันนั้นทำมยุทธนิมหานิกายแต่ส่วนมากเกือบจะเข้าใจกันหมดแล้วเรามีพระสังฆราชองค์เดียวกันเรามีพระธรรมวีในข้อเดียวกันเรามีพระพุทธเจ้าศาสดาองค์เดียวกันเราอยู่ประเทศเดียวกันทําไมเราจึงจะมาแตกแยกกันลนักษณะเช่นนี้ทั้งฝ่ายทำมายุทธ์และมหานิกายเกือบจะไม่มีความหมายที่จะแตกแยกกันนับว่าเป็นสลีปมงคลเป็นความดีความงามแต่มันก็มีใหม่ขึ้นมาอีกเลย เดี๋ยวก็มีพวกใหม่เดียวนี้เราเกือบจะพูดกันไม่รู้เรื่องพวกที่มาในห่มผ้าคำคำคิ้วไม่โกนแล้วก็ไม่กินเนื้อไม่กินปลาถือมังสวิรัต์เคร่งคัดระเบียบวินัยแล้วก็มาโจมตีกันว่าคนอื่นนั้นไม่ใช่พระสงฆ์องค์เจ้ายังเป็นยากยังเป็นมารุมมันก็เลยมีโอกาสมีช่องว่างที่จะทําให้สังคมร้าวราน แตกแยกกันขึ้นมามันเป็นอย่างนี้อีกพวกหนึ่งก็ย่อนซจชนยานยานกันเลิ่เกินย่อนกันเลิ่เกินเห็นชาวบ้านเคารพ บ, บูชากล่าวไหวฉันชาาแล้วก็เอนฉันเพลิแล้วก็นอนแสวงหาในสิ่งที่อยากได้อยากมีอยากเป็นลืมเนื้อลืมตัวนึกว่าเรานี่อยู่บนหัวของคนอื่นเห็นคนอื่นกล่าเห็นคนอื่นอื่นไหวแล้วก็ไม่สนใจว่าเราอยู่ในฐานะขนาดไหนที่เขาควรกราบควรไหว อันนี้ก็ถือว่าหย่อนกันจมยานแล้วก็เลยเปิดโอกาสให้อีกพวกหนึ่งเข้ามาเคร้งเจมข้างความเคล่งนั้นจะมาชี ค, ความหย่อนยานให้ประชาชนแตกออกมาเป็นเสียงเสียงเคร่งกันจนเกินเกินกว่าที่พระพุทธเจ้าท่านพาเคล่งไม่กินเนื้อไม่กินปลาไม่ใส่รองเท้าจำมังสวีรัต แล้วก็คข่งคัดระเบียบไม่ไหวพระพุทธรูปไม่สวดภาษาบาลีไม่โกนคิ้วอะไรต่างๆพวกนี้น่าว่าเป็นการกระทำชนิดที่เรียกว่าเอาเอาขวานไปจักตอกขวานไม่เป็นไรหรอกแต่ตอกนั้นไม่มีชิ้นดีรองการให้สังคมดีงามกลายเป็นการสร้างปัญหาใหม่ขึ้นมาให้แตกให้แยกน่าคิด น่าพิจารณากันเลยเกินทีนี่คนเรานั้นมันมีเรือดรักชาติรักษาาณารักบ้านรักเมืองด้วยกันเท่านั้นนักศึกษาปัญญาชนที่หลงเข้าป่าเข้าดงกับพวกคอมมิวนิสต์สมัยก่อนนั้นพวกเขาไม่รู้ด้วยว่าเขาเป็นการกระทำที่จะทำลายต่อชาติสาานาเขาไม่รู้หรอกว่าเขาเป็นคอมมิวนิสต์เขารู้อยู่ในใจเขาว่า เขาคือผู้รักชาติรักศาสนาเขาก็ททำนั้นเพื่อชาติเพื่อศาสนาเพื่อมวลชนเพื่อสังคมนี่คือความรักอย่างรุนแรงแล้วมันวิ่งดิ่งดิ่งดิงด ง, ด ง, ด ง, ดงไปจนสุดเหวียงพอมีใครมาปกว่ามันต้องอย่างนี้อย่างนี้ความเห็นของเขามันเข้ากันได้ตรงนี้แหละว่ามันควรจะเป็นอย่างนี้เขาก็รับกันพึบเมื่อรับกันไปแล้วก็กระโชงกระชางออกมาอย่างรุนแรงในที่สุด มันก็มีแรงต้านนีอะไรต่ออะไรเอาไปเอามาเขาถอยกลับไม่ได้เข้าป่าเข้าดงไปเลยเงินเดือนปีละแต่บาทก็อยู่ได้กินเผื่อกินมันเคยเรียนในระดับมหาวิทยาลัย อ, อย่างนี้ไม่ใช่ความตั้งใจของเขาครั้งแรกแต่เป็นความตั้งใจที่เขารักชาติรักบ้านเมืองรักศาสนาการกระทำของเขาหวังเพื่อความดีความงามของชาติของศาสนาแต่นี่คนที่ทาให้เขาเป็นอย่างนั้น ก็คือพวกที่ไม่หวังดีต่อชาติต่อศาสนานั่นเองมีเช่นเดียวกันในที่สุดมันกลับไม่ได้มันลงลึกไปแล้วตกบันไดก็เลยพลอยจรส่วนการถืออะไรที่สุดอย่างหลงไหลเข้าไปนึกว่าดีว่างามที่สุดสุดกล้าวอย่างนี้ควรจะต้องถอยกลับมาพิจารณาคิดกันใหม่มิฉะนั้นแล้วจะหลงทางเข้าป่าเข้าดงส่วนมาก ท่านเหล่านั้นล้วนแต่เป็นผู้มีสติปัญญาได้รับการศึกษามีความรู้สูงมาพอสมควรคล้ายๆกับว่าเป็นคนที่มีไฟแรงมีไฟที่สว่างสวายแต่ในที่สุดมันฟางไฟไฟที่มันส่องหน้าที่มันสว่างจนเกินไปไม่มีอะไรปรับเป็นโฟกัสให้มันก็เลยฟางไฟอันโพยถาโชติมรทิทะเหยยะเมื่อขาดปัญญาซะแล้วก็เหมือนคนตาบอด ที่ถือไฟยอมเยียบลงไปได้แม้ไฟที่ส่องทางของตนเองท่านหลายมีความรู้มีสติปัญญาแต่ปัญญาอย่างนั้นยังไม่แน่ใจว่ามันเป็นปัญญาที่ละเอียดสุขุมสักขนาดไหนมันอาจจะเหมือนไฟที่ส่องทางให้ฟางไฟนั่นเองเดี๋ยวนี้คนสมัยนี้ได้รับการศึกษามาสูส่งบรรดานักเรียนนิสิตนักศึกษาที่หลงเข้าป่าเข้าดงนั้นคือลักษณะฟางไฟ มีความรู้ที่เจิดจ้าที่สุดแต่ไม่มีอะไรมาปรับโฟกัสอของมันนี้ให้มันก็เลยไม่มีอะไรมาบังให้กันเลยฟางไฟฟ้าฟางไปหมดฟางเพราะความรู้มีโอกาสที่จะหลงทางกันได้เพราะฉะนั้นท่านหลายต้องมาพิจารณากันใหม่พระพุทธเจ้าสอนให้เรามีอุ ด, ดมคติคือให้ยึดธรรมนั้นแต่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องไปคลั่งจนตาย พระพุทธเจ้าท่านสอนธรรมะเหมือนพว่วงแพในโอรุมะปิกสวดเมื่อไปถึงฝั่งแล้วจำเป็นจะต้องทิ้งพว่วงแพนี้ไม่จำเป็นจะต้องแบกแพ่แบกเรือขึ้นบนบกได้เพราะฉะนั้นอันนี้คือเครื่องมืออุดมคติอุดมการนั้นคือเครื่องมือที่จะนำไปสู่เป้าหมายแห่งชีวิตแต่การคลั่งลงไปในอุดมการนั้นไม่มใช่วิสัยของผู้ฉลาดเลย อย่างพวกมาเธอดอมที่เคยทำมาแล้วล้มหายตายเกือนกันไปไม่รู้สักเท่าไหร่อย่างไรก็ตามเราจะต้องมาคำหนึ่งคำหนวนกันนไม่เดี๋ยวนี้ คนไทยแท้ๆถือศาสนาเดียวกันแท้เกือบจะพูดกันไม่เรื่องเห็นกันเป็นศัตรูไปเลยมองกันอย่างลุกดาวอย่างดูถูกเหยียดย้ำในสายตาเคยสังเกตเห็นมากๆยังไม่มีความไว้ใจซึ่งกันและ ก, กันได้โดยเฉพาะฝ่ายพระสงฆ์องค์เจ้าเหล่านี้ที่ออกมาใหม่มีไปหมดพุทธภูมิพุทธโยดูโทเปียแล้วก็สันตียโซอะไรต่างๆโผล่กันขึ้นมา แล้วมีแนวปฏิบัติกันแปลกๆความจริงในวันพระกออ่อนอาตมาได้กล่าวแล้วว่ารัชชิฉันมังสวิรัตนั้นไม่ใช่คำสั้นๆในทางพระพุทธศาสนาแต่นั้นก็ไม่ใช่ความเลวร้ายเป็นความดีที่ท่านทำได้น่าอนุโมทนาสาธุการแต่ถ้าทำแล้วเพื่อมาสร้างรอยแตกแยกดูถูก ตีเตียนซึ่งกันและการตอกลิ่มตรงที่รอยร้าวตรงไหนที่มันหย่อนมันยันแล้วก็ตอลงไปเงี้ยมันจะพังกันเพราะคนที่ชอบคุณงามความดีนั้นมีไฟจ้าที่กําลังฟางไฟอยู่จะรีบเข้าไปคว้าแล้วก็ยึดมั่นถือมั่นสุดหัวสุดเล้าวอีทางสัจจังโมคะมันยังอันนี้เท่านั้นถูกอันอื่นพิษลักษณะเช่นนี้รอยร้าวของสังคมที่มีอยู่ก็จะแตกออกมาทันที รัฐบาลไหนจะปกครองได้ถ้าคนในสังคมมันแตกแยกกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งความแตกรล้าในทางศาสนายิ่งลึกซึ้งคนไทยยึดมั่นในศาสนาพุทธมานานเมื่อชาวพุทธแตกออกจากกันนี่รัฐบาลใดก็จะปกครองไม่ได้ถ้าปล่อยให้แตกกันต่อไป ฝ่ายที่อนุรักษ์นิยมของเก่าๆกดจะววายว่ารัฐ บ, บาลทาไมจึงปล่อยปละละเลยอย่างนี้เทอะและสมา ค, คมทาไมจึงปล่อยไปอย่างนี้ควรจะรีบจัดการคนนี้เป็นใครมาอย่างไหนอะไรมาอย่างไหนอย่างเงี้ยถ้าพอจะไปจัดการกับทางโน้นทางโน้นก็นมีแต่นักศึกษาปรัชญาชนมีแต่ผู้ที่มีความรู้ชนิดที่ออกไฟจ้าจนฟานนั่นเนี่ยโดยก็มาออ ก, ออกออกปุ่ม ในที่สุดก็เลยทำอะไรกันไม่ได้แต่กันเป็นกบเป็นเราเป็นซื่นเสียงขึ้นมาระเบิดเวลาลูกนั้นพร้อมที่จะระเบิดถ้าเราไม่ทำความเข้าใจให้ถูกต้องความจริงพูทศาสนานี้ไม่ได้สอนให้เราซ้ายสุดเหวี่ยงขวาสุดขอบไม่ได้สอนให้เราหย่อนจนยาไม่ได้สอนให้เราเคร่งจนพั้งพึงกนาดว่าไม่กินเนื้อไม่กินปลาไม่ใส่รองเท้าอะไรต่างๆเหล่านั้นไม่โกนคิ่วไม่ สวดมนต์ไม่ไหวพระพุทธลูกไม่ถึงขนาดนั้นเขาเราจะต้องมีระบบแดผีชีวิตและระเบียบของสังคมที่ถูกต้องดีงามเหมาะสมกลมกลึงกับฐานะภาวะเพศภาวะของสังคมของการของสมัยเพราะฉะนั้นถ้าผู้ใดทำตัวเป็นกลางๆอย่างถูกต้องในทางพระธรรมวินัยในขณะ น, นี้ก็เปรียบเสมือนบุคคลผู้ที่จะเข้าไปปบ ชนวนระเบิดของความหย่อนยานและความเคร่งจนข้างนั้นให้เข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวให้เข้าใจกันดะแต่ช่วงนี้มันเสี่ยงกันเหลือเกินคนที่เดินเข้าไปปลดชนวนระเบิดนั้นอาจจะถูกระเบิดใส่หัวตายก่อนก็ได้ถ้าไม่ระมัดระวังกันจริงๆและเป็นผู้เสี่ยงจริงๆมันเป็นธรรมดาอยู่เองผู้ที่เดินอยู่ระหว่างกลางคนที่อยู่ทางขวามองมาสู่ทางซ้ายก็จะเห็นผู้ยืนบู่กลางไม่ขวางไว้ ก็จะเข้าใจวันนี้คือแนวร่วมฝ่ายซ้ายผู้ที่มองจากผู้ที่อยู่ทางซ้ายมองมาทางขวาก็มาเห็นผู้ที่ยืนอยู่กลางในขวางพวกทางขวาไว้ก็จะเห็นวันนี้เป็นแนวร่วมของฝ่ายขวาเห็นไหยละ่ะมันพร้อมที่จะร บ, บ, บไปหัวของผู้ที่ปฏิบัติถูกต้องอยู่ตรงกลางแต่เราอยู่กลางเราสามารถมองเห็นทั้งซ้ายมองเห็นทั้งขวาได้ชันั้นไดก็ฉันนั้น มิดเดิลเวโออบุดดิสทางสายกลางของพุทธศาสนานี่มันจะไม่ใช่้ายสุดเวียงคือเคร่งจนข้างไม่จ่ขวาสุดขอบย่อนจนยานอะไรต่างๆเหล่านั้นมันจะต้องเป็นความพอดีพอดีเลกคิดกันอีกทีพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้สอนให้คนเคร่งจนข้างกันอย่างนั้นความเป็นอยู่ของท่านท่าอยู่กันง่าย เดนี้เรายังมีความคิดที่ว่าในสมัยพุทธกาลนั้นไม่กินเนื้อไม่กินปลาพระพุทธเจ้าเองไม่กินถ้าเครกินแล้วไม่ใช่ชาวพุทธความจริงอันนี้เราเกิดกันไม่ทันดอกแม้อดามาเองเคยไปประเทศอินเดียมาถึงห้าหกครั้เคยปกครองเด็กอินเดียลูกน้องอินเดีย ส, สร้างสนามบินสร้างเมืองที่เมืองไฮที่เมืองบูลเลดาเคยปกครอง ม, มาแล้วดีแล้วสี่ร้อยห้าร้อย ก็เลยถามเขาเมือนกันว่าสุกััมธรรมะนั่นคืออะไรสุกระนึ่นเขาไปลว่าพริกก็ไปลบ่หมูแลยก็ไม่ได้แปลว่าเห็ดว่าหอยอะไรดอกอินเดียก็ยังเรียกกันอยู่อย่างนี้มีคพงเกล้าก็ให้ชี้กมาอีกถ้าหากเราดูตามพระสูรตรต่างๆนั้นพระพุทธเจ้ทาท่านก็กินกินเนื้อกิกนปลานี่อย่ามายัดเยียดความเข้าใจเหล่านี้ว่าพระพุทธเจ้าท่านไม่กินในสูตรหนึ่งพระพุทธเจ้าท่านเล่าเรื่องของตัวท่านเอง ให้พิสูจน์ทั้งหลายฟังมีชื่อว่าสุขมาลสูตรว่าด้วยสุขมาลชาติอันละเอียดอ่อนและความเมาสามปะการสุขมาลสูตรนี้ท่านพูดไว้รวบรวมไว้ในพระไตรปิฎกปฐมปนาตปิกณิบาอังคุตรนิกายพระไตรปิฎกเล่มที่ยี่สิบข้อที่สี่ร้อยเจดสิบแปดหน้าที่หนึ่งร้อแปดสิบสี่พระพระพุทธเจ้าท่านเล่าเรื่องของท่าน ให้พระพิสุทั้งหลายฟังว่าในสมัยท่านยังไม่บวชนุ่นพ่อของท่านในอุดมสมบูรณ์แม่ท่านเองก็อุดมสมบูรณ์มากเป็นผู้ไม่มีทุกข์เป็นผู้ไม่มีทุกอย่างยิ่งไม่มีทุกโดยส่วนเดียวท่านย้ำแล้วย้ำอีกว่าดูความพิสูจน์หลายเราเป็นผู้ไม่มีทุกข์เราเป็นผู้ไม่มีทุกอย่างยิ่งเราเป็นผู้ไม่มีทุกโดยส่วนเดียวได้ยินว่าพระชนกรับสั่งให้ขุดสะโบกณีพ่อของเราขุดกะให้เรานะ ท่านบอกแล้วก็ปบัวไว้บดอกป่าทุมดอกอูบลบุญทลิ์บัวคาบบัวหลวงท่านบอกเนี่ยแล้วก็อยู่ดีกินดีสร้างปราสาทให้สามหลังสามฤ ด, ดูมีนางสนมนาลีขับกล่อมโอ้สบายสบายท่านบอกไม่เคยลำบากเลยตลอดเวลาสี่เดือนฤ ด, ดูฝนบนปราสาทเนี่ย อันเป็นที่อยู่ในฤดูฝนไม่ได้ลงมาข้างล่างเลยไม่ได้ลงมาเยียบ ด, ดินเลยตลอดสี่เดือนนิเวศของท่านนั้นอบอวนด้วยน้าอบน้าหอมมีผู้หญิงสาวๆเช่นนั้นขับประคมท่านบาวนในบ้านของพ่อของท่านในนิเวศแห่งพระชนกของเราเขาให้ข้าวสาลีละคนด้วยมังสะแกธาตมกอรบุรุษทํ า, าทนองเดียวกับที่อื่นนิเวศของคนอื่นเขาให้ข้าวป่นกับน้าส้มเป็นที่สอง ท้าเราว่าพ่อของท่านในบ้านพ่อของท่านเนี่ยให้คนใชก้กรรมกรนี่กินดียิ่งกว่าที่ไหนกินดียังไงถ้าเราว่าให้กินดีคือข้าวสาหลีและคนด้วยมังสวิรัติและคนด้วยเนื้อภาษาบาลีว่าเอวเมวัตสุมเมพิกขเวมีตุนิเวสเนทาสกรมมระโปริสสะสาสาลีมังโสทโนทียติ นี่จะแปลว่ายัางไงก็ลองแปลดูเองที่สาลีมังโศทนโนธียติภาษาบาลีว่าอย่างนี้แปลว่าข้าวสาลีและคนด้วยมังส์ทาสะกัมมกรณะโปริสสะสาลีมังโศธโน ท, ทียติพ่อของท่านแม้แต่ท่ากรรมกรยังเลี้ยงด้วยข้าวสาลีและและคนด้วยเนือ้อย่างอ ร, อร่อย ซึ่งมันตรงกันข้ามกับนิเวศของคนอื่นให้ข้าวป่นป่ น, ปนเท่านั้นกับน้ำส้มน้ำส้มผักด้วยความที่สังลายเหล่านั้นประกอบด้วยความเสมอเห็นผ่านดังนี้สุขุมารชาติอย่างอีกอย่างนี้ก็ ย, ยังคิดเห็นดังนี้ว่าอุทุชนยังไม่ได้สดับเมื่อตนเองเป็นผู้มีความแก่เป็นธรรมดาไม่ลงพ้นความแก่ไปได้เห็นคนอื่นแก่เห็นคนอื่นเจ็บเห็นคนอื่นตายก็หัวเราะไม่นึ ก, กว่าตนเองจะแก่จะเจ็บจะตายแต่ท่านท่านไม่คิดอย่างนั้นท่านบอกว่าเรามีความ เกิความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาเราจะมามโมลุล่มหลงสิจบอยู่กับสิ่งเหล่านี้ทําไมถ้าจะไหนเสียเราควรแสวงหานิ r v านปเป็น ด, นนดิ่สิ้นสุดแห่งทุกขที่กเสริแห่งโยคะเถิดโดยก่อนพิสุทธิ์ทั้งหลายเรานั้นยังหนุ่มเที่ยวส้นเกเสายยังดําสนิทยังเจริญรุ่งไหวแห่งปฐมมาวัยเด็กกลงขมโปรนวดออกจากเรือนอะไรนะท่านเล่าเรื่องแต่ก่อนแต่หลังเป็นสบายมากขนาดคนงานท่านต้องกินข้าวสาลีปนกับเนื้อ จะ ส, สบายแล้วตัวท่านเองยิ่งจะกินดีด่หมดเราจะกล่าวว่าพู้ใเจ้าไม่กินเนื้อได้ยังไงอันนี้อย่าเอามาเป็นเรื่องโจมตีแตกแยกกันเลยพระเจ้าประคุณเอ้ยถ้าแต่กินก็กินไปดีแล้วการไม่กินเนื้อสัตว์นั้นไม่ฉันเนื้อสัตว์นั้นถ้าเป็นของชาวบ้านทั่วไปนี่มันดีคือมันไม่เสียสตางค์มากปลูกผักอายุสันส้นๆเดี๋ยวๆก็โตมาให้กินแล้วเลี้ยงไก่ตัวหนึ่งนานนักกว่าจะได้ข่าลิ้มหัวลิ้มควา ย, ยิ่งไก่เลย แต่มองในแง่ของเศรษฐกิจมันดีแหละและถ้าว่าในทางอนามัยมันก็ดีการนี่ไม่กินเนื้อสัตว์ไม่ฉันเนื้อสัตว์นี่มันดีมันเว้นจากโกาครคภัยไข้เจ็บบางชนิดเสียได้โดยเฉพาะโรคฤาษีดวงเนี่ยไม่ต้องมาพบกันอีกเลยโรคเกี่ยวกับลำไส้บางชนิดแล้วก็กินตัวอะไรอย่างนี้ตัดออกไปได้โดยการที่ไม่ฉันเนื้อสัตว์การไม่กินเนื้อสัตว์นี่มันมีสิ่งที่ดีที่งามหลายสิ่งหลายอย่าง ในเนื้อสัตว์มันมีสิ่งที่กระตุ้นความรู้สึกระบบประสาทมากกว่าเพราะฉะนั้นการไม่กินเนื้อสัตว์มันได้รับการกระตุ้นน้อยฉะนั้นความรู้สึกทางความกำนังทางเพศอะไรเนี่ยมันก็ลดลงไปได้แต่ไม่ใช่มันมดล็อกมันลดลงมันอ่อนตัวลงนี่ประโยชน์ของการที่ไม่กินเนื้อสัตว์แต่ที่นี้การฉันเนื้อสัตว์นั้นมันไม่ได้หมายความว่ามันจะมีโทษเกี่ยวกับเรื่องนี้เต็มไปหมด ภิกษุสงฆ์นั้นมีการดำรงชีวิตชนิดที่เนื่องอยู่ด้วยผู้อื่นเขาเรียกว่าปรัตถปะชีวีผู้ที่ต้องอาศัยของคนอื่นให้เลี้ยงชีวิตตนเองนักบวชทั้งหลายไม่ทำไร่ไม่ทําน้ไม่ประกอบอาชีพไม่หาเลี้ยงชีวิตด้วยตนเองเลี้ยงชีวิตตามแต่ผู้อื่นเขาจะให้อย่างไรมันก็คือคนขอทานดีๆนี่แหละแต่มันไม่เหมือนกันทีเดีย ที่ว่านักบวชเหล่านะั้นมีคุณทํามสูงมีประโยชน์สูงช่วยเหลือประชาชนในทางจิตใจมัวทำหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนในทางจิตโดยไม่ต้องไปทำไรทำนามันมีเวลาไม่พอจึงมีสิทธิที่จะบริโภคอาหารที่ประชาชนเขาให้ถือว่าพราะอาหารหันต์เหล่านั้นมีสิทธิที่จะบริโภควัตถุปัจจัยที่ประชาชนถวายไม่ให้เกิดเป็นนี่เป็นสิ้นขึ้นมาจึงต้อง ถือว่าแล้วแต่ประชาชนเขาจะถวายเรียกว่าไม่มีอีนะปริโภคอีนะรบริโภคคำบริโภคด้วยความเป็นนี่กินแล้วไม่เป็นนี่เขาเขามีอะไรก็อย่างเขาหาปันกินอย่างเงี้ยถ้าประชาชนจะถวายในรูปเนื้อสัตว์หรือรูปผักหรือรูปผลไม้รูปอะไรก็รตามเ้อะแล้วต้องกินอย่างนั้นอย่าไปเรียกร้องหาจะไม่ทำในใจว่ามันเป็นเนื้อสัตว์ ไม่ทำในใจว่ามันเป็นผักหรือเป็นผลไม้ทำในใจแต่ว่ามันเป็นธาตุตามธรรมชาติสิ่งที่ถูกกินนั้นที่เอามากินนั้นเป็นธาตุตามธรรมชาติผู้ที่กินนี่ก็เป็นธาตุธาตุธาตุนะไม่ใช่ธาสะเป็นธาตุตามธรรมชาติไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาถึงที่สุดจนว่าไม่มีผู้กินนั่นแหละมันไม่มีตัวตนผู้จะกินก็เลยไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาที่จะผู้รสัตว์หรือผัก เนื้อสัตว์หรือ <discussion> ผักเพราะมันไม่มีตัวเติมที่เป็นบุคคลที่จะเป็นผู้กินที่เราเสว่อจะท้าพปะยังปวะวัตมานางทาตูมตเตเมเวตังสิ่งเหล่านี้นี้เป็นสักวธาตามธรรมชาติเท่านั้นกำลังเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่หนึ่งนิจญาที่ตั้งปินแต่ประตตะตุปปุญจะโตปะพุกโลเราสวดกัน สิ่งเหล่านี้คืออาหารบินทบาทและบุคคลผู้บริโภคอาหารบินทบาตน่ะ น, นิสตโตไม่ใช่สะตะวะอนันยั่งยืนนิชีวะไม่ใช่ชีวิชีวะอันแท้จริงสุนโยว่างเปล่าจากความหมายแห่งความมีตัวโต้นที่นี่ที่วัดนี้สวดกันอย่างนี้ทุกวันก่อนจะกินเพื่อเตือนให้นักบวชทั้งหลายได้รู้ว่าไม่มีผักไม่มีเนื้อนะเขาเอาอะไรมากกินมันเป็นเพียงธาตตามธรรมชาติ ที่มันเป็นธาตุน้ำธรรมชาติบริโภคโดยวิธีที่สมควรแก่ภาวะของตนอย่างที่ได้ว่าเหมือนกับกินเหมือนลูกกลางทะเลสายมันจะกินอร่อยได้อย่างไรให้มันเห็นว่าแต่สงสารอย่างยิ่งอยู่เสมอจนไม่มีตัวติมทั้งสองฝ่ายฉะนั้นการกินเข้าไปมันเพียงแต่ว่าประทางชีวิตไม่กินอาหารชื่อนั้นชื่อนี้ที่เขาเรียกกันเป็นชื่อๆไม่กินมันทั้งนั้น เป็นพูดไปมีตัวตนแล้วก็ให้ร่างกายนี้นามรูปนี้มันเกินกันเข้าไปในสิ่งที่เป็นสักว่าธ า, า, า, าตุตามธรรมชาติเพื่อจะหล่อเลี้ยงชีวิตนี้ไว้ทีนี้จะมาบัญญัติให้มันเด็ดขาดลงไปตั้งข้อรังเกียจเป็นฝ่ายตรงกันข้ามเป็นปรปักต่อกันมันก็ยุ่งมันยุ่งมันนอกขอบเขตของธรรมะมันเป็นเรื่องของกิเลสไปเช่นตัวเองไม่กินเนื้อกินแต่ผัก แล้วก in ็ไปเที่ยวดูทูคนอื่นที่กินเนื้ออยู่เนี่ยมันก็เลยถูกล้อว่าไม่กินเนื้อสัตว์แต่แล้วก็เที่ยวกับผู้อื่นไม่กินเนื้อสัตว์แต่เที่ยวกับผู้อื่นหรือเที่ยวดูถูข่มเหงผู้อื่นที่กินเนื้อสัตว์เขาก็เลยล้อว่าอย่างนั้นแล้วจะโกรธเขาหรืไมเล่าแล้วสอนมาเลิกกินเนื้อสัตว์แต่ก็ต้องเลิกเที่ยวกับผู้อื่นซสีด้วยสิอย่าเที่ยวเกลียดย้ําดูถูกผู้ใดอย่างกินเนื้อสัตว์ซีหรือว่าเกลียดเนื้อสัตว์แต่ก็กําหนัดในเนื้อสด เห็นไหมละมันยังเที่ยวเกี่ยวข้องกับทางเพศมันก็ใช้ไม่ได้อยู่ดีนั่นแหละเลิกเนื้อสัตว์แต่กำหนัดเนื้อสดไปกินเนื้อสัตว์แต่ไปเที่ยวกัดคนอื่นนี่ถูกดา่าสวนกลับไปเลยเพราะว่าดูถูกแต่ผู้อื่นนั่นแหละระวังให้ดีถ้าไม่กินก็ดีและใครจะว่าอะไรมันก็ดีก็ได้ไประโยชน์มากออกไปอย่างที่ว่ามาแล้วแต่อย่าไปดูถูกดูหมิ่นคนอื่นนะ ไม่กินเนื้อสัตว์แล้วมันดีใครจะว่าอะไรมันก็ดีแต่อย่าไปเทียวว่าคนอื่นพุทธศาสนาทแท้ๆไม่กินเนื้อสัตว์ไม่กินผักเพราะฉะนั้นเลิกทะเาลาะ ก, กันได้แล้วในเรื่องเนื้อสัตว์ในเรื่องผักแต่ขอบอกให้ทราบว่าพระพุทธเจ้าทานกินอย่างนี้ทีนี้เรามาแยกกันเป็นก๊กเป็นเราอ้าวพุทธยุโรเปียเกิดขึ้นแล้วอ้าวพุทธภูมอะไรต่ออะไรสร้างรอยรับยุโรปียยูโรเปียนันมาจากไหน พระบุธทธเจ้าท่านตรัสเรื่องโรคภษีอันในจักรวัริสตรว่าโลกนี้คนเสื่อมลงสินทมเสื่อมลงเสื่อมลงจนอายุห้าปีมีความกำหนัดมีลูกมีหลานอายุสิบปีตายคนมีความกำหนัดอาจทำเพิ่มขึ้นอายุลดลง ความโรคเกิดขึ้นกิเลสมากขึ้นอายุมันก็ลดหลงในที่สุดอายุสิบปีตายห้าปีมีลูกแต่มาเกิดสัทธันตะละกับมืดเจ็ดปีมืดเจ็ดวันแล้วก็เข็นฆ่ากันเป็นผักเป็นปลามีบุคคลบางจำพวกบุอนายการเข็นฆ่าเขาไปอยู่ในปา่าในเขาเจริญสมาธิภาวนาบุคลคลฆ่ากันตายหมดแล้วฟ้าสว่างขึ้น ก็ออกมาวิ่งมากอดกันอ้อพวกเรายัางไม่ตายก็รักกันเลือมละอาการเขียนข้าต่อมาอายุยืนขึ้นตายไปลูกเต้าเกินไหมอายุยืนขึ้นยืนขึ้ น, นถึงแปดหมื่นปีแล้วตัมานก็เกิดโลกภาษีอ่านในจักรวรเดิสวดในโลกภาษีอา่านนั้นแผ่นดินราบเรียบเป็นหน้ากองน้ําเต็มเปลี่ยมฝั่งเพราะมันราบมันเรียบไม่รู้จะไหลไปทางไหนเลยไห ล, ลไปไหลามาคนล่าข้าง นกกาไม่ต้องกบลงกินให้ปวดพอเสพผ้าควันฝนตกครั้งหนึ่งตกในเวลากลางคืนดอกไม้หอมตลบอบอวนดินไม่มีฝุ่นละอองไม่มีนายทุนไม่มีกรรมกรไม่มีรักศพโจบหอมมีต้นไม้กระระพึกเกิดขึ้นฝีบุมเมืองอย่างนั้นอะไรไอธิษฐานเอาน อ, อานแก่นรกพระศรีอ่านกากระนกเขาหงูเห่ากับพังพรหนูกับแมวเป็นเพื่อนกันนอนเดียวกันเล่นสาบายสาบายยิ่งไปกว่านั้นมีพระ อ, อริยเจ้าพระอรหันต์เป็นมืนม่นหมื่นแสนแสนนี่ฮันสอนไว้อย่างนี้ เรียกว่าโลกภาษีอาณต่อมาโลกภาษีอานที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้ในพระไตรปิฎกจักวัติสู้ทีขนิกายปฏิกวักเล่นดิสิกนี้แหละมันก็เลยค่อยค่อยได้รับขยายกันออกมาสู่โลกสู่สังคมชาวยุโรปชาวปตะวันตกถูกแปลถูกถ่ายออกมาจากภาษาบาลีเป็นภาษาฝรั่งต่อมาฝรั่งหัวใสคนหนึ่งชื่อว่าโทมัสมอ ก็เอาโลกภาษีอ่านของพระพุทธเจ้านี่มาเขียนเป็นทฤษฎียูโทเปียนโซเซียลิสต์ดดจำไว้ให้ดีอย่าเพิ่งเฮอเฮอว่าพุทธยูโทเปียจะเกิดขึ้นมาเขาวิ่งตามหลังพุทธเจ้าก็มาเขียนโลกสังคมยูโทเปียนโซเซียลลิสต์นี่นายโทมัสมอร์เขียนเขียนบอกว่าสังคมยูโทเปียผู้หญิงคนไหนแก่กว่าเราเป็นพี่สาวเราเป็นแม่เราอ่อนกว่าเราเป็นน้องสาวเราผู้ชายคนใดแก่กว่าเราเป็นพี่สาวเรา ผู้ชายคนในแก่กว่าเราเป็นพี่ชายเราเป็นพ่อเราอ่อนกว่าเราเป็นน้องเราออกจากบ้านไปที่ไหนทำงานที่นั่นกินข้าวที่นั่นเป็นเจ้าของรวมกันหมดเป็นพี่เป็นน้องนี่สังคมอยู่หทวีจะต้องดีอย่างนี้สังคมมนุษย์จึงจะดีต่อมาเขาก็ไปลองจัดไปลองทำที่รัดโอไฮโออเมริกันป้ากพาว่ามันทำไม่ได้คนมีกิเลสมันก็จ้องเอาเปรียบกันอยู่อย่างเก่าก็ เ, เลยเจบหายขาดทุนเจ๊ง ยูโทเปียนยังไม่สามารถจะเกิดขึ้นในโลกต่อมานายคารมากซึ่งเป็นลูกศิษย์ของฟอยลูบารหนึ่งแด้ไปศึกษามาแก่ก็มาเขียนทฤษฎีสังคมยูโทเปียนโซเซียลิสต์มาแปลงสมัยว่าจะให้คนเป็นยูโทเปียนโซเซียลิสต์เป็นสังคมยูโทเปียรักกันชอบกันไปบ้านไหนกินข้าวบ้านนั้นทํางานบ้านนั้นอย่างที่โทมสัสมอลฝันไว้มันต้องมาจัดทฤษฎีใหม่วิธีการใหม่ไปสู่หลักการอันเดียว แต่เปลี่ยนวิธีการคือบังคับให้คนมีอันหนึ่งอันเดียวกันเรีย ก, ยกว่าคอมมูนิสต์หรือว่าคอมมิวนิสต์จะให้คนเป็นอย่างเดียวกันเหมือนอยูโทเปียมันเป็นไม่ได้คนมีกี่เลยต้องบังคับคนรวยก็ตีรวยกว่าเฟีมาให้เป็นคนจนมีทุกสิ่งทุกอย่างเลยกันเรียกว่า commonwealth owner chiefs มีความเป็นเจ้าของร่วมกัน ในที่สุดก็มาจัดมาทำปฏิวัติใหญ่ในรัสเซียซะก่อนโดยสตาลินต่อมาก็ทีมเมืองจีนต่อมาก็ขยายขยายเป็นโลกคอมมิวนิสต์ขึ้นมาในที่สุดก็ปันป่วนเข้าที่ไหนก็ฆ่ากันที่นั่นเดี๋ยวนี้ก็กำลังสาสากันแล้วแม้แต่ในรัเสเซียแม้แต่ในจีนก็พยายามที่จะเปลี่ยนแปลงเอามาใช้ในกระที่คนเอาเปรียบกันมากมันก็ได้ ประโยชน์ระยะหนึ่งต่อมาเมื่อผ่านพ้นวิกฤตการณ์นั้นเราก็ใช้อีกแบบใหม่เปลี่ยนแปลงไปมนุษย์ย่ำฉลาดเมื่อเราไปถึงน้ําำเราจะขี่รถมันทําไมเนระาต้องขี่เรือสิรถคันละแปดล้านมันก็ไม่ดีเท่าเรือพายไปถึงน้ําแต่พอพ้นจากน้ําเรือคันละแปดล้านมันก็ไม่ดีเท่ารถจักรยานถ้าขึ้นไปบนบกมันก็ต้องขี่รถดีดีๆนั่นบางทีจําเป็นจะต้องใช้อย่างนั้นเพราะฉะนั้น สังคมยูโทเปียพุทธยูโทเปียที่หลงไหลกันที่ตั้งกันขึ้นมาพุทธภูมิพุทธยูโทเปียนั่นระวังให้ดีจะติดกับระเบิดอย่าพึ่งไปหลงไหลจะสูเห็นของหายเป็นดีนี่คา่ายะสูเห็นดานดาวดวงกว่างว่าแปลนเห็นบดายหน่วยแกวยาเผาเปิดใจหัวล่างจะเป็นดวงขวงหนวยมันี่โซกแกวแหววาเหลื่อมง่ำตายแต่ทั้งหนกซอกแสกสอนนอนหน่อยบุญดูใหเห็นแต่ไหน ดูให้ดีๆที่ trophy, เอ๋ยน้องเอ๋ยเราเป็นคนรักชาติรักศาสนาเป็นคนไทยมีสติปัญญาอย่าหลงไหลเข้าไปยึดมั่นถือมั่นกันจนเกินไปแล้วจะทะเลาะเบาแววนแตกราวสามะคีกันความสำเร็จทำความบรรลุธรรมนั้นไม่ได้อยู่ที่อาหารพระพุทธเจ้าเคยพูดกับนิโคทะที่อุทุมะพริกกสูตรทีนิกาตติก so วัเล่มที่สิบเอเปิดๆดู ที่พระพุทธเจ้าผู้ว่าดูก่อนนิโคทะอุปกิเรของผู้บำเพ็ญตะบะมีอยู่สิ่งที่ควรกล่าวอย่างอื่นมีอีกอุปกิเรของผู้บําเพ็ญตะบะบางคนเขามีวาทะว่าความบริสุทธิ์มีได้โดยอาหารสิ่งนี้ควรแก่เราสิ่งนี้ไม่ควรแก่เราสิ่งไหนควรแก่เขาเขายึดมั่นสยบบริโภคสิ่งนั้นหลมลืมโดยไม่มีสติสิ่งไหนไม่ควรแก่เขาเขารังเกียจเขาเพ่งโทษ แล้วเขาบริโภคสิ่งที่ควรแก่เขาอย่างไม่มีสติยึดมั่นประยบอยู่นั้นเรากล่าวว่านั้นเป็นอุปกิรณ์ของผู้บำเพ็ญตบะนะโอ้ยอยากไปหมดเลยในพัทศพิดกนั่นไม่สามารถจะนํามากล่าวให้ได้ข้าโวโมมันก็ไม่หมดในพัฒนพิดกเรื่องประพฤติจาพูดเรื่องนี้เพราะฉะนั้นอย่าหองไหลนะยูโทเปียนโซเซียลิของโทมสัสมอร์หรือว่าของคารมากแกมาแปลรูปเป็นพุทธภูมิพุทธโยโทเปียอะไรก็แล้วแต่เถอะ ขอให้เข้าใจไว้ชัดๆพี่เอ๋อน้องเอ๋ยอย่าหลงไหลก็ไปยึดมั่นถือมั่นการไม่กินเนื้อไม่กินปลานั่นเป็นการดีแต่การไปโจมตีกันให้แตกแยกการแยกก็แยกเราแยกในการไม่ขึ้นต่อเต็มหมายว่ามันคล้ายๆกับว่าถ้าเราเห็นพ่อแม่เราไม่ดีเราประกาศตัดความเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกแกจะเป็นใครก็ต า, ามฉันเลิกเป็นพ่อเป็นแม่เพราะแกง้อแกไม่ดีอย่างนี้จะถือว่าเป็นลูกดีๆได้อย่างไง จะชั่วก็พ่อของเราจะเสียก็ผู้ให้เลือดเนื้อให้กำเนิดของเราเราจะต้องช่วยเหลือท่านทำยังไงท่านจะดีที่สุดไม่ใช่ว่าประกาศต้นตัดขาดออกจากพ่อจากรูปเหมือนเราประกาศออกจากหมู่จากเราอย่างนี้กายถ้าอย่างนี้มีหวังพันกันแน่แนๆผู้ที่ยังไม่มีสติปัญญาลุ่มหลวงเข้าไป ยุทธมันวันนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องดีงามที่สุดในที่สุดมันก็ได้ทะเลาะ ก, กันเรื่องมันเคยมีมาแล้วในสมัยพุทธกาลก็ทะเลาะ ก, กันอย่างนี้แตแกแยกกันอย่างนี้เพราะความเข่งกับหย่อนนี้แหละมาตออริมกันถ้ามันมีความเป็นกลางมันพอดีมพอดีเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาทำความเข้าใจกันให้ชัดเจน พุทธศาสนานี้เป็นศาสนาของปัญญาชนเป็นศาสนาที่ไปสู่ความนิ่มนวลบริสุทธิ์จัดการกับกิเลสอย่างละเอียดอ่อนปานี้ระมุลระไมระบบแห่งการปฏิบัติในทางพุทธศาสนาไม่ใช่รุนแรงไม่ใช่แข็งกล้าวแต่เป็นระบบที่จัดการเข้าไปอย่างลุ่มลาดเอียงเทลึกซึ่งลงไปทําลายจากตัวยาบยาพองกิเลสไปสู่คชนิตกลางกลางแล้วก็ไปสู่ ชนิดที่ละเอียดละเอียดจนหมดสิ้นสัมยุทธออกไปเลยอย่างนี้ไม่จะบันโดตูลงไปแล้วก็เอากันเลยเต็มที่เลยตรงอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ไม่ใช่อย่างนั้นต้องเข้าใจไว้ทีนี้อีกประการหนึ่งถ้าหากเราบวชมาไม่โกนขิวอย่างนี้อย ง, งนู้ิงผู้ชากระโบดอะไรเนี้ยไม่โกวนขิวพอกินเนื้อกินปลาไม่กินกินผักกินหญ้าแล้วก็ไม่ต้องสวดภาษาบาลีอย่างนี้เปิดโอกาส ให้คนที่ไม่หวังดีต่อชาติศาตนาปลอมตัวเข้ามาได้ง่ายสมมุติว่าคนต่างชาติต่างศาสนาที่พูดภาษาไทยได้โกนหัวซะไม่ไม่ไม่มีคิ้วไม่โกนคิ้วแล้วก็มาใส่ผ้าดำ กินมังสวิรัติเดินไปที่ไหนถ้าสังคมยอมเราก็โอ้นี่คือยอดพระอริยะแลว้วไม่ต้องรู้อิดิปิโสสวากาโตสปุปฏิปโนโพหงสหธสรมปีนิมอะไรไม่ต้องรู้ภาสาบาลีใครจะเป็นจะตายกุศลาธรรมมาไม่ได้เพราะครูบาอาจารย์ไ ม, ม่สอนพาสวดอันนั้นเป็นพวกผามก็ว่าไปเลยกินมังสวิรัติก็พูดในฟังนี้อย่างนี้มันปลอมได้ไง่าใครอยากจะเข้ามาในบ้านนี้เมืองนี้อยากจะปลอมอย่างนี้ โนผมจะเอาคิ้วไว้อินมังสวิรัติเปิดตีนเปล่าเดินมันทั่วประเทศรู้หมดเลยตัดไตใส่พุงประเทศนี้อยู่ที่ไหนกองกําลังคุ้มกําลังอยู่ตรงไหนเขียนมาเขียนไปกัดเสร็จเรียบร้อยเอาผ้าดําๆออกใส่หมวกกระลับคิ้วมีอย่างเก่าไปไหนเลยที่นี่ชี้พายใบบอเลยบ้านเมืองมันแปรได้ง่า ย, ายที่สุดแต่ว่าพระ พระพระเหล่านี้ท่านไปสวดภาษาบาลีถ้าเป็นพระเราเออคนตายก็สวดไม่ได้ปาริตรมงคนก็สวดไม่ได้ถ้ามันเออเนี่มันพระจริงหรือพระเกยกันแน่ว่าเฮ้ยนี่ชื่อมันก็ยังอยู่มันพระจริงหรือพระเกยอะไรมันก็ใหม่ได้แล้วจะมาบอกเป็นพระทําไม เดี๋ยวนี้ถ้าหากเรามอมเมากันจนหลงเชื่อไปว่าเออถ้าไม่กินมังสวิรัตแล้วมันเป็นพระแท้เป็นพระอริยะถ้ากินมังสวิรัติไม่โกลคิ้วแล้วไม่ใส่รองเท้าเดินไปอย่างนี้โอ้คนโบราณบอว่าหนูสิ่งทำตะบ้าห่แม่บักดำก้มขาบเสื้อโคงนดหนอบไหวขนาเนื้อมือสามันวันมันมีได้ปลากั้งหูสิบินบนพยโยมเมฆวัฒนเนี่ ระวังให้ดีนู้ซิ่งทำตาบ้าไหา่แม่บังดำก้มขาบในหนังสือเรื่องการสวยในอนาคตคนโบราณเขียนบอกนูสซิ่งที่ทำตะบ้าไหา่แม่บังดำก้มขาบเสื้อคงนบหนอบไหวข้างหน้าเหนือมือสมัตกบเขียนหน่อยประห้องอ้านโค้งสารเท็มงูเผาผิดเหยือบกลัเก่งยาก กบเขียนน้อยกลุ่มคนน้อยๆสร้างตัวสร้างระเบียบเข่งคัดขึ้นมาเอาไปเอา ม, ามังงูเผาผิดเหยื้อกลัวเก่งดานรัฐบาลทำอะไรไม่ได้เริ่มจากคนหนึ่งสองคนทำเป็นงอมงมเป็นแข่งแข่งคืมคืชันน้นมังสวิรัตเดินตีนเปลาไม่กินเนื้อกินปลาทือระเบียบเข่งคัดแลไม่สวดภาษาบาลีไม่ไหวภาพมีหนึ่งแล้วสองสามสี่ห้ารบาทขึ้นเอาเลวรัฐบาลทำอะไรไม่ได้ โกบเขียดหน่อยแตะฮ้องอ่านโคองสา ร, รเห็ดไอ้มูเข้าผิดเีย้กลัวเก่งงานหนูสิ่งสีท้ำตะ บ, บาไห้แม่บังดำก้มขาซื้อโครงี่มนบหนอบไหวขนาดเนื้อมูอสามาาันโตจักหันปัญญาถ้ำสีมาซอยไปบ่าใครเล่าเป็นพยาธรรม ก็คนจริงคนที่รู้จักความจริงไม่ซ้ายไม่ขวาไม่เข่งจนขั้นไม่หย่อนจนยานอยู่ทางสายกลางประกาศความจริงปดชนวนระเบิดช่วยกันให้บ้านนี้เมืองนี้อยู่รอดปลอดภัยสมบรูรมเ ย, ย็นขึ้นอย่างนั้นเรียกว่าพญทธรรมมิกราชธรรมะไปมาทำอิกะประกอบด้วยราชผู้ยินดีเป็นที่ยินดีธรรมะอิกะราชาโดมันเป็นธรรมิกราช ผู้ประกอบไปด้วยคำอันน่ายินดีผู้พอใจผู้ประกอบผู้พอใจในธรรมใครก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นพระชาเป็นดินพวกเราท่านทั้งหลายมีความพอใจในความถูกต้องในความดีงามเห็นซ้ายเป็นซ้ายเห็นขวาเป็นขวาเห็นดําเป็นดําเห็นขาวเป็นขาวอย่างนี้ไม่เเข่งจนข้างไม่ย่อนจนญานพอดีพอดีอย่างนี้เรียกว่าทำไม่ก ร, ราชา ระวังให้ดีนะคําตือนของคนโบลาณในการสวยการนับมือสวยหลายปีเป็นอันตางพระเป็นเทศเทศไหวไพ่ายสวยศาสนาที่ท่านกล่าวไว้หนึ่ยนนี่นี่เสาสีเสียงสันหกศ์พินัยกรรมเกิดเป็นหน่วยแกวพิลาเข็มคาสี่แผ่นบัวขี้แบกดีบานเกิดการน้องมันจะกลับพางกลับหัวพักพองสีนี้เมือ่อโพ้นดีโปงใบเป็นต้นบัวห้องขึ้นหัวสวนกับบ้านเกา่าบนเล็กเล็กสีเราตื่นไปหงบนเคิร์ พูดความจริงๆที่มันถูกมันต้องมันดีมันงามมันจะเป็นเรื่องตื้นแต่ทํง่ายง่ายเพียงแต่โกนผมไว้คิ้วไม่ใส่รองเท้ากินมังสวิรัติทำเป็นแหมสงบใจเยี่ยมเป็นเหมือนกิ่งกาคามีเลี่ยนเดินเยื่อจเดียอ ย, าอ ย, า, อยาอย่างนี้เดียว่าวบนเล็กสังวตื่นที่ไปห้องบันเขินในที่สุดก็จะมาถึงข่าวที่เลว่า กบเขียนหน่อยประห้องอา่านข้องศาลไปแล้วบาทนี่เหตุแห่งงูเผาผิดเงื่อกลัวเกลี่ยยานคนกลุ่มน้อยๆจะทําให้รัชด ร, รัฐบาลวันไหวสะทานเทรสมาคมจะหวาดวันไหวขนลุกจะเยือกทาอะไรไม่ได้เพราะอะไรละ่ะเขามีกําลังขึ้นมากบเขียนหน่อยประห้องอา่านโ้องสารเหตุแห่งงูเผาผิดเงื่อกลัวเกี่ยย่านมูน้ซิงสิทำตาบ้าไถ่แม่บังดําคมข่าวซื้อครงมบหมอบไหวข้างหน้าเนื้อนูซามัาน ระหวังให้ดีถ้าพระสองฆ์องค์เจ้าแตกกันเป็นก๊กเป็นเหล่าเมื่อนั้นรังร้ายเกิดขึ้นแล้วระเบิดเวลาพร้อมที่จะเกิดขึ้นมือที่สามหย่อนเข้ามาระหว่างกลุ่มหนึ่งกับกลุ่มหนึ่งเมื่อ น, นั้นเราจะได้เกิดสงคารามซาตานกันมันยิ่งกลัวจูมาฮีดินของพวกชาวพี่น้องอิสลามที่รบกันนักรบเพื่อซาตาระวังอย่าหลงทางอยับฟางไฟ ปาปานิกรรมมานิกรรติโมหาคนทำบาปทำชั่วพเพราะหลงพเพราะเม่อเพราะฉะนั้นเราก็ต้องให้อภัยกันเหมือนกันไม่ต้องก้าวร้าวรุนแรงกันพูดกันให้รู้เรื่องพี่เอ๋ยน้องเอ๋ยส่วนที่ย่อนตะจนยานแล้วก็ค่อยปลุกค่อยเตือนกันถ้าเพื่อนจะเกียด